เกลางนครเมืองแห่ง เจ้าครองนครคนสุดท้ายคือเจ้าทิชชางอันเป็นปฐมบุรุษ เจ้าผู้ครองนครลำปาง 9 ด้วยวัยเจ 28 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2455 ตรงกับ 4 ค่ําเดือน เจ้าหลู่น้อยและเจ้าแม่บูจจ่อน ศึกษาหาความรู้เบื้องต้นที่ เรื่องสนุกอีกอย่างหนึ่ง นานไปเพื่อรอของพระภิกษุ 410 แน่ สอนพอดีจักสิทธิ์ทมในจังหวัด เพราะได้มีทุคติสุขาที่เป็นเจ้าผู้ไปก็ <c oughs> มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ และโรงเรียนหลังนี้ก็มหาดาลพร้อมทั้งเจ้า อย่างไรขอคือว่าท่าน เวลาตาง ผู้จะต้อง 2468 ในปีนั้นท่านเจ้าอาวาสวัดบุญยืนถึงมรณภาพ จน 2470 จากโรงเรียนบุญทุ่มด้วยความ รูปท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่อยู่ วิญญาวาสวิหารโดยมีพระมหาสุรทอธิรโสปริญญาเก้าและ 2475 ขณะ 20 ปีเข้าสอบได้นัก 21 ปีจึง ดาวุพคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่โดย และท่านพระธรรมจินดานายกคุณเรือนเจ้าอาวาสวัดป่าดัวเป็นอนุสาวนาจารย์จากเขมโกหลวงพ่อเกษม มาแต่แต่ยังเป็นสามเณรหลวงพ่อ จึงพระอุบลสุมโนเข้าไปใกล้ สอบวิชา 2486 จนเข้าดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส มีหลายสิ่งที่วัดบุญยืนให้หลวงพ่อต้องเก็บเอามาคิดยศสนเสริมมีความสุขใน ความโลกุตระวิถีเช่นนี้ตลอด 2492 นั่นเองเองหลวงพ่อก็ตัดสิน พระเป็นดังเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ได้เป็นที่เป็นดังเนื้อนาบุญเนื้อนา 227 ข้อปฏิบัติยึดมั่นศรัทธาใน หนุ่มหน้าสู่สุสาน 8 คือทุโดงควัตร 2495 หลวงพ่อจึงออก กํานันปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญ 20 ถึง 25 โดยประมาณปรากฏว่า เจ้าแม่บูจารย์ผู้มารดาได้เสียชีวิตลงไม่มีใครจะ เพราะอำพราบิดายึดถือเป็นที่พึ่งทางใจ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 กันอย่างกว้างขวางว่าหลวงพ่อเป็นพระ จึงรับคําสอนสั่งให้จดจําพุทธภาษิตบทสาธุใครปฏิบัติได้เพียงใด การคำนวณรับรับตามซึ่งเป็นทุกครั้งของซึ่งรายสเตทเมนต์หลักของ ว่าไฉนมีปัญญา ตัวความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับด้านข้างหน้านั่งนะ คณะนี้ท่านก็เข้ามานั่งประจําพลํพิธีแล้ว ขอให้พระเจ้าหลวงพ่อพระเถระญาณธพรทรงเจริญเทินทายอยู่นะครับขอให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านอยู่ด้วยความสงบเทียบนะครับจะเข้าถึงพิธีสําคัญแล้วหลังจากสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงเจิมเทียนชัยและปิดทองแล้วภัตตุของที่มาร่วมในงานฉลองวันเจดคบ 6 ก็ได้สวดชยานโตคณะนี้พลเอกสุจินพลเอกก็ มงคลหลั่งจากพระเถียนพลเอก แต่กุตุมงคลเนื่องในวันครบ 6 รอบของหลวงพ่อเกษมจิมกรนะ กิณ่าอุปถุกิจีสำหรับพี่น้องชาวโสลําปางอย่างยิ่งครับใน 6 รอบของหลวงพ่อเกษมเขมโกและพิธีผูกเสือกบุคคลของหลวงพ่อเกษมเขมโก หลังจากพลเอกอาทิตย์กำลังเอกจุดเทียนเสร็จแล้วพิธีกรก็จะได้เรียน และนมบริยัติแล้วผมก็จะอยู่ที่ที จะนําไปตําแหน่งพระนมัสการเสร็จ สิ 2 ปกร้อมของโรงปิของพ่อประเสริฐเขมโกกราบพร้อม นะเมนะเมภันเตภันเตวันธาเมภันตาธิภันเตสัพพังอปะลาธรรมสัมมะถะเมนะเมภันเตๆท่าน หลวงพศินธมโกศแห่งสหรัฐอเมริกา อเมริกาและปุเสกวัตถุมงคลนะครับก็ขอพลังบริจาคองค์เสกวัตถุมงคลนะครับที่เป็นวิญญาณในขณะนี้นะครับส่วนพ่อกระเทินชื่อ คุณไพจิตธรรมโรจน์พินิจซึ่งคือการสนับสนุนและอุปถัมภ์งานฉลองวันเกิดครบ 6 รอบของหลวงพ่อเกษม ว่าอยู่ขนาดนี้นะครับอย่าอย่าผู้หญิงที่ परमं भवं न भवं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 ครับไม่ใช่ผมใครพูดไปขอเรียนที่ตำรวจสารวัตรอ๋อครับเรียนศูนย์โทรศัพท์กองบก สำหรับครั้งต่อไปก็ ตามนี้นะครับ สสนําทางพรรคชาติ นักวิจารณ์ 3 รับแจกวัตถุมงคล ลำดับต่อไปเจ้าห้องใต้ขอ ลำดับที่ 23 ล้าน ona <coughs> ธนาอยู่การะคนนายฉันทะเพทภาติสิเอโสวมัสสะดํารพบกษัตริย์ธนาที่ savalang na pota ta sanayukana nibbana hey usape prabrom ra sadara anatha samaja nan bedaya antatamoli satya thungapet sukha chani samo atachaka pakawatho araha tho chamna arahato nimma สัพพะตังสัฆานังโนโตจาภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมโพธิสัจจะธัมมะมีติสุขังเสเตติเตติกว่าจิตในธรรมยอด ขอไหว้ซึ่งพระธรรม วันนี้จะได้แสดงว่าธรรมวัเทนา อาณาของพระปริตเนี่ยครับปัญหาในข้อ จะหาที่ไหนกว่าตามสมภพทั้งหลายมนุษย์ อัปเปตจําแนกโคติดอกของแบงค์ก็ชอดพอกรอบทีเดียวเองยังมั่น สูตรมนนาที่จะนพเจตปัญญาสนิทโตแล้วเกิดก็ออก โลกนี้มีมานาแล้วอย่างงี้ก็อาคินจะทรกําลังตอน อ่าเช่นนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์ทั่วไปจังสิเพราะว่าน่ะปานเพราะกิน อาหารก็รักษาชีพไว้ไม่ได้น่ะสิ 2 ใคร่ภาคกับธรรมการยอดอาหารเป็น ทางของความกำหนดรักษาก็การหนึ่งที่พระนิพพานต้องการไปในรักษาก็มีเหตุฉัพกาลคือหนึ่งกัมมาวรณะกําลังกรรมอันกั้นกั้นไว้เสียเกิดเคลื่อนพออาภันในละคะในหนังทุกย่อมเกิดจน อาศานทนะความไม่เชื่อถือให้มันคงถ้า ภรรคจิตโชคโลกครองอัจฉยามัณฑาก็ ก็ว่าเป็นฝากดีในชั่วลายด้วย ตังภวันทามิหังธรรมวรังนิติตังภวันทามิหังธรรมวรังนิติตังภวันทามิหังข้าพเจ้าขอไหว้ อกโกเอนะจิเนกตังจึงจะละความโกรธ อภาระธรรมซึ่งโทษสัมภาทั้งตัวแม่แก่ข้าพเจ้าเป็นเธอพันเตข้าสามินา อันเจ้าข้าว่าอันว่าบุญจึงทรงชื่นยินดีบุญจังสามินาอันเจ้าอ้ากระดังได้กระทําแล้วอาหัง ท่านว่าผู้ข้าอนุโมทามิขอสาธุสาธุเป็น<า> aminiyo himantuk sambodho khine tato mabha va mattavantarayo yukhi kai moba avibha na siyenicca cittam อโยวตโสคังบารัมสเมติโย สัพพะทานังเตนิตํขํโตอภิชฌายิโดเจตตโลธัมมาวะทันติอายุวตโตสุขัง more vanilla. ne napomenu gle kai do येता रतना मिया रमिदा ता वता वना नि वया तपा कुरो दागा मनोमि नैवदा पिजि निज युतानानि जो वरे देदा देदा लोमा เอฤจากาลโวริยะนะติสุราเมยยะสัทธามะตะสาตะเอริยะ มาที่ตัวจริงด้วยๆนะครับซึ่ง